กำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกำรรไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่านิทานธรรมะให้ฟังสักเรื่องนะครับกตันญูสู้ยักษ์ครับเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการนานไกลามาแล้วสมัยพระเจ้าอาจุตตะปัญจา ครองนคกรกบินรัฐพระองค์ทรงมีพระมเหสีพระองค์หนึ่งแต่เหตุว่าเมื่อชาติก่อนนี้พระนางได้ถูกหญิงร่วมสามีได้ผูกพยาบาทอาคาตเอาไว้ว่าเกิดชาติใหม่เนี่ยขอให้เราได้กินลูกของเจ้าดังนั้นเมื่อใดที่พระมเหสีทรงประสูติพระราชโอรส ก็จะถูกหญิงผู้นั้นซึ่งต่อมาได้เกิดเป็นนางยักษ์ซีนีมาแย่งเอาไปเคี้ยวกินต่อหน้าต่อตาเป็นอย่างนี้ถึงสองครั้งสองคราต่อมาเมื่อถึงคราวจะต้องประสูติพระราชโอรสองค์ที่สามท้าเธอก็เสด็จไปประสูติในปราสาทซึ่งมีทหารห้อมล้อมรักษาอย่างแข็งแรงยากที่มนุษย์ผู้ใดจะล่วงล้ำเข้าไปได้แต่สาหรับนางยักษซนีผู้จองเวรแล้ว มดปลวกกับทหารเหล่านั้น น, นไม่ได้ผิดอะไรกันเลยสําหรับนางเมื่อพระราชโอรสประสูติออกมาแล้วนางยักษิศีก็เข้าไปแย่งมาไว้ในอ้อมอกได้อีกแต่ไม่ทันจะได้เคี้ยวกินให้อร่อยปากทหารก็ได้ยินเสียงพระมเหสีร้องด้วยเสียงอันดังว่านางยักษิศีนางยักษิศีก็ก็พากันออกไล่ติดตามโดยเร็วพลันแม้ว่า จะเป็นเหมือนมดปลวกก็ตามแต่ถ้าหากว่าอาวุธครบมือแล้วก็มากันมา ก, มากๆอย่างนั้นนางยักษิซีนีก็จำเป็นต้องมุดหนีเข้าไปทางท่อน้ำเพื่อเอาตัวรอดส่วนพระราชโอรสที่อยู่ในอ้อมอกอันอบอุ่นของนางยักษ์ซีนีก็เกิดเข้าใจว่านางยักษ์นี่เป็นพระมารดาก็ได้อ้าปากอมนมนางยักษ์ซีนีไว้ทำให้นางเกิดความเอ็นดูรักใคร่เหมือนกับบุตรของตัว พอออกจากท่อน้าได้แล้วก็ตรงไปยังป่าช้าแห่งหนึ่งแล้วก็ได้ดูแลประครบประงมจนกระทั่งพระราชโอรสเจริญวัยขึ้นเป็นลำดับพระราชโอรสไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ขึ้นมาก็อยู่กับนางยักษสินีได้รับการเลี้ยงดูให้อิ่มหนำทารานด้วยเลือดเนื้อของมนุษย์ก็เลยเข้าใจพระองค์ว่าเป็นยักษ์ ผิดอยู่ที่ไม่สามารถหายตัวได้เท่านั้นต่อมานางยักษินีก็ไปหารากไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้หายตัวอาหายตัวได้มาให้แก่พระราชโอรสเมื่อสามารถล่องหนหายตัวได้แล้วจึงเที่ยวไปจับมนุษย์กินเหมือนกับมารดายักษ์ของตนอยู่มาวันหนึ่งถึงเวรที่นางยักษินีจะต้องเข้าเฝ้ารับใช้ท้าวเวสสุวรรณมหาราช เป็นขณะเดียวกับที่พระราชเทวีทรงประสูตรพระราชโอรสอีกเป็นครั้งที่สี่พระราชโอรสองค์นี้ก็เลยพ้นภัยจากนางยักษินีที่จะมาจับอาไปกินพยาตพระวงศ์ทั้งหลายก็พากันขนานนามว่าชัยทิตกุมารเมื่อชัยอาทิตกุมารทรงเจริญวัยขึ้นแล้วก็ทรงสำเด็จศิลปะวิทยาการได้ครองเมืองแทนพระราชบิดาครั้งนั้น พระโพธิสัตว์เจ้าได้ทรงถือปฏิสนธิในพักคันของพระมเหสีของพระเจ้าชยัยทิษเมื่อประสูดออกมาแล้วพระราชมารดาพระราชบิดาได้ถวายพระนามว่าอาลีนสัตตุ ก, กุมารเมื่ออาลีนสัตตุ ก, กุมารทรงเจริญวัยขึ้นแล้วก็สําเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปราชดํารงตําแหน่งรัชทายาต่อไป ต, ไปตามพระราชประเพณี อยู่มาวันหนึ่งพระราชากมุมารที่นางยักษ์ลักเอาไปเลี้ยงไว้นั้นเกิดทำรากไม้หายไปเสียไม่อาจจะหายตัวได้เหมือนแต่ก่อนก็ปรากฏรูปร่างเที่ยวจับกินมนุษย์อยู่ในปา่าช้าเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนทั่วไปในละแวกนั้นจนมีผู้เข้ากราบทูลให้พระเจ้าชยัยอทิตย์ทรงทราบพระองค์ก็ตัดสั่งให้ทหารออกไปล้อมจับยักษ์ตนนั้นให้ได้ เมื่อพวกทหารยกพลก็ไปล้อมป่าชาไว้หนาแน่นตามพระบัญชาพระราชกุมารผู้สําคัญพระองค์ผิดบ่าตัวเองเป็นยักษ์ก็เกิดความกลัวตายขึ้นมาก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังน่าสะพึงกลัวคนทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงนั้นก็พากันขนพองสยองกล้าวเกิดความรักตัวกลัวตายเหมือนกันต่างคนต่างก็ชะงักปล่อยให้พระราชกุมารวิ่งฝ่าฝูงชนและทหารหนีรอดไปได้ เมื่อพระราชกุมารวิ่งหนีพ้นออกมาจากป่าช้านั้นแล้วก็กระเซาอกระเซงเข้าป่าอาศัยดงใกล้ทางใหญ่แห่งหนึ่งได้จับคนใกล้ทางนกินเป็นอาหารเลี้ยงชีพตกค่ำลงความมืดเขาครอบคลุมก็หลบเข้าคนต้นไม้ต้นไยใหญ่อาศัยเป็นที่หลับนอนเสมอมาครั้งหนึ่งมีพราหม์พ่อค้าเควนคนหนึ่งได้ว่าจ้างพวกคนรักษาดงเป็นเงินหนึ่งพัน ให้นำเขวียนห้าร้อยเล่มส่งข้ามดงนั้นไปพระราชกุมารบุตรเลี้ยงนางยักษินีเมื่อเห็นคนเยอะแยะอย่างนั้นก็ร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังประหนึ่งว่าเสียงยักษ์ใหญ่แล้วก็วิ่งเข้าหาคนเหล่านั้นโดยเร็วคนทั้งหลายเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นต่างหมอบราบลงกับพื้นดินหมดทั้งสิ้นด้วยความกลัวตายพระราชกุมารก็เลยเข้าไปช่วยเอาตัวพราหมณ์ผู้ตะลึงงานอยู่แล้วก็วิ่งหนีไป ขณะที่แบกตัวพราหมณปูเลงปูเลงหนีอยู่นั้นเท้าเจ้ากรรมก็เกิดไปเหยียบเอาหนามเขาให้ก็ต้องชะลอความเร็วลงพวกรักษาดงที่สิ้นความกลัวแต่ยังหวาดหวาดอยู่ก็วิ่งมาทันพระราชกุมานเหลียวไปเห็นไม่ได้การก็ทิ้งพราหมณ์ลงให้นั่งจกอยู่กับพื้นแล้วกลับไปนั่งรักษาเท้าอยู่ที่โคนต้นไทรนานถึงเจ็ดวันในคราวนั้นพระเจ้าชัยพิษทรงมีพระราชประสงค์จะเสด็จออกป่าล่าเนื้อ ให้เป็นที่สำรานพระราชหฤทยัยก็พอดีกับมีพราหมูหนึ่งชื่อนันทพรามเป็นชาวเมืองตักศกิลาได้เรียนคถาเก้าร้อยคถาจนเจนจบมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าถวายพระคาถาให้พระเจ้าอยู่หัวได้สดับพระเจ้าชัยทิตย์จึงตรัสสั่งให้พราหมู้นั้นจงพักร อ, อก่อนเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาจากการล่าเนื้อแล้วค่อยฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปสู่ ในป่าอันร่มรื่นแวดล้อมไปเรืยมุขอำมาตย์ฆาราชบริพาร น, น้อยใหญ่เมื่อไปล้อมดงแห่งหนึ่งก็ตรัสสั่งว่าถ้าเนื้อหนีออกไปทางด้านไหนเราจะลงโทษแก่ผู้นั้นแต่ว่ามีละมั่งตัวหนึ่งวิ่งหนีออกทางเท้าเธอได้พวกอำมาตย์ก็พากันหัวเราะเท้าเธอก็ส่งพระขันไล่ติดตามละมั่งตัวนั้นไป สิ้นระยะทางไปได้สามยชดจึงทันละมั่งแล้วก็ฟันด้วยพระขันจนละมั่งตัวนั้นขาดเป็นสองท่อนแล้วก็ทรงหาบกลับมาพอเสด็จมาถึงต้นไซใหญ่ก็ทรงวางหาบเนื้อลงพักอยู่สักครู่หนึ่งพอหายเหนื่อยเมื่อยลา้าแล้วก็จะลุกขึ้นจะเสด็จต่อไปทันใดนั้นพระราชกุ ม, มานผู้เป็นลูกเลี้ยงของนางยักษ์ มีโขนใส่เป็นครูหาอาศัยก็ลุกขึ้นไปจับข้อประหัตของพระเจ้าชัยอาทิตไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหยุดก่อนท่านจะไปไหนท่านจะต้องอยู่เป็นอาหารของเราเราอดอาหารมาเจ็ดวันแล้ววันนี้จะได้กินอาหารอันดีท่านเป็นใครมาจากไหนมีชาติระกูลอย่างไรจงบอกแกเราให้แจ้งเดี๋ยวนี้พอพระเจ้าชัยอาทิตย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชากรุมนันที่งเป็นยักษ์นั้นก็ทรงหวาดกลัวต่ออันตรายที่จะมาถึง แต่เมื่อใครกรวรดูแลเห็นว่าไม่อาจจะหนีพ้นไปจากมือยักษ์ได้ก็เลยรั ง, งับพระราชารือไายเราตรัสตอไปว่า เ, ออเราเป็นพระราชาอยู่ในปัญจาละประเทศมีชื่อว่าชายัยทิตถ้าท่านเคยได้ยินก็จะต้องรู้วันนี้เราเข้ามาสู่ป่าเพื่อจะล่าเนื้อตามประสงค์ขอท่านจงปล่อยเราไปเถอะเราจะให้เนื้อลมั่งแก่ท่านเพื่อแลกตัวของเรา ท่านจะเอาของของข้าพเจ้ามาแลกเปลี่ยนอย่างเนี้ยมันไม่เป็นการไม่สมควรเพราะละมั่งนั้นย่อมเป็นอาหารของเราอยู่แล้วเมื่อเรากินท่านแล้วอยากจะกินเนื้อละมัง่งอีกเมื่อไหร่ก็จะได้กินตามประสงค์เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ท่านจะมาร้องขอต่อข้าพเจ้าเมื่อพระเจ้าชายทิดได้ทรงสดับอย่างนี้ก็ทรงนึกได้ถึงนันทพรามซึ่งจะแสดงคาถาให้พระองค์ฟังก็เลยตรัสไปว่าเ อ, อิดถึงท่านจะไม่ยอมรับ ของแลกเปลี่ยนก็ตามทีแต่ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปบ้านเมืองซะก่อนเพราะข้าพเจ้ายังมีสิ่งที่จะต้องทําอยู่กุมารยักษ์นั้นก็เลยตอบว่าท่านซึ่งใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ยังนึกถึงสิ่งที่ควรจะทําได้อยู่ก็จัดว่าเป็นบุคคลดีมากทีเดียวสิ่งที่ท่านจะทํานั่นคืออะไรจงบอกให้ข้าพเจ้าทราบด้วยข้าพเจ้าอาจจะปล่อยให้ไปในวันนี้แล้วก็กลับมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้คือเราได้ให้สัญญาไว้กับพราหม์คนหนึ่ง ว่าจะให้ทรัพย์แก่เขาแต่ว่ายังไม่ได้ให้ตามสัญญายังนับว่าพ้นจากสัญญาไปไม่ได้เราเป็นผู้ต้องการรักษาสัตว์ไว้จึงจะขอกลับไปให้ทรัพย์แก่พราหมณ์นั้นแล้วจะกลับมาให้ท่านกินเป็นอาหารถ้าอย่างนั้นท่านก็จงไปทําตามสัญญาแล้วกลับมาหาเราอีกให้ได้นะท่านกุมารยักษ์กล่าวอย่างนั้นแล้วอนุญาตให้พระเจ้าชัยอิทิเสด็จไป พระองค์ก็ตรัสขอท่านอย่าวิตกไปเลยเราจะมาหาท่านในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลาเช้าตรูท่ทีเดียวขันตรัสอย่างนี้แล้วก็เสด็จกลับไปสู่หมู่พระราชบริพันธ์ที่รอพระองค์อยู่แล้วก็เสด็จเข้าพระนครเมื่อถึงในวังแล้วก็ตรัสสั่งให้นันทพรามเข้าเฝ้าทันทีครั้นนันทพรามว่าคถาเก้าร้อยคถาให้พระองค์ทรงสดับเป็นอันดีแล้ว จึงพระราชทานทรัพย์เก้าพันแล้วก็เชิญให้พรามขึ้นสู่ยานพาหนะกลับไปเมืองตักกศิลาพร้อมด้วยคนชายสอยส่วนพระองค์ก็ทรงดำริว่าพรุ่งนี้เรานอเราจะต้องไปเป็นอาหารอันโอชาของยักษ์ก็รับสั่งให้อลีนสัตว์ราชกุมารผู้เป็นพระราชโอรสเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสสั่งว่าออลูกจงรับราชาพิเศษในวันนี้เถอะจงปกครองพระราชาอาณาจากักรด้วยความเป็นธรรม บำรุงประชาธิราชทั้งหลายให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่าได้ทําทุกข์ไปเกิดแก่ประชาชนส่วนพ่อนี้จะไปให้ยักษ์ตนหนึ่งกินเป็นอาหารเมื่ออาลีนสัตว์ ร, ราชกุมารได้สดับพระราชองค์การอย่างนี้ก็กราบทูลบอกว่าข้าพระองค์ได้ทําความไม่พอพระราชหฤทัยให้แก่พระองค์อย่างใดอย่างหนึ่งเหรอือข้าพระองค์อยากจะทราบเหตุที่ะจะให้ข้าพระองค์ขึ้นครองราชในวันนี้ สำหรับพระองค์แล้วเมื่อขาดพระองค์เสียก็ไม่ต้องการราชสมบัติเลยพระเจ้าข้าลูกเอ๋ยพ่อนี่ยไม่ได้นึกถึงความผิดทางกายวาจาหรือทางใจของเจ้าไม่แต่ว่าพ่อได้ให้สัญญาไว้กับยักษ์ตนหนึ่งจึงจะต้องกลับไปหายักษ์นั้นอีกเพื่อรักษาสัตว์ตามสัญญานั้นไว้จากนั้นพระเจ้าชัยธิตย์ก็ทรงจัดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเมื่อพระราชกุมารทรงทราบเรื่องอย่างนั้นก็ขออ า, าสาเสด็จไปแทนพระราชบิดา เพื่อสนองพระเดชพระคุณแม้ว่าพระเจ้าชัยอาทิตจะทรงห้ามปราบประการใดก็ไม่สามารถลดความตั้งใจของพระราชกุมารได้เมื่อพระเจ้าชัยอาทิตเห็นความกตัญยูอันแรงกล้าของพระราชโอรสอย่างนั้นก็ทรงตรัสอนุญาตพระราชกุมารก็ถวายบังคมลาพระราชบิดาและพระราชมารดาแล้วก็เตรียมพระองค์จะเสด็จออกจากพระนครครั้งนั้นพระราชบิดาและพระราชมารดา และพระเจ้าพี่พระเจ้าน้องกับพระชายาของพระราชกุมารพร้อมด้วยหมู่อัมมาตข้าราชบริพารก็ตามเสด็จแห่แหนออกไปส่งด้วยความเศร้าสลดจนกระทั่งถึงทิวป่าพระราชกุมารจึงได้ทูลถามหนทางจากพระราชบิดาจนถี่ท่วนดีแล้วก็ถวายบังคมลาไปสู่ที่อยู่ของยักษ์ยพระราชมารดาทรงไม่สามารถจะดารงพระสติไว้ได้ก็ล้มสลบลงกับพื้นประี พระเจ้าชัยทิตย์ทรงประคองขึ้นแล้วก็ทรงบ่ายพระพักไปยังทิศอื่นประทับยืนประคองอัญชลีกล่าวต่อเทพเจ้าทั้งปวงว่าข้าแต่เท้าโกสีเทวราชท้าวรุณราชท้าประชา บ, บดีพระอาทิตย์พระจันท์จงช่วยกุ้มครองบุตรของข้าพเจ้าให้พ้นจากอันตรายของยักษ์กลับมาด้วยความสวัสดีเถิดส่วนพระราชชนนีผู้มีน้ําพระเนตรนองหน้ากับประคองอัญชลี ขึ้นประกาศสัจจะว่าด้วยอนุภาพแห่งความรักอันบริสุทธิ์ใจซึ่งมารดาพึงมีต่อบุตรของตนขอให้อนุภาพนั้นจงเป็นเครื่องทําความสวัสดีแก่บุตรของข้าพเจ้าด้วยเถอะฝ่ายพระคินีของพระราชกุมาร น, นั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าไม่เคยคิดร้ายต่อพระเจ้าพี่ทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้แต่สักครั้งเดียวด้วยคำสัตว์อันนี้ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครอง ให้พระเจ้าพี่ของข้าพเจ้ากลับมาด้วยดีเถอดพระชายาของพระราชกุมารก็ตั้งสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้าไม่เคยประพฤตินอกใจสามีเลยสามีก็ไม่เคยคิดนอกใจข้าพเจ้าเช่นเดียวกันข้าพเจ้ามีความรักใคร่สามีด้วยน้ำสายใจจริงด้วยคำสัตย์อันนี้ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายได้ช่วยคุ้มครองสามีของข้าพเจ้าให้รอดพ้นจากความตายกลับมาโดยสวัสดีเถิด ในเวลานั้นกุมารยักษ์ได้ขึ้นต้นไม้คอยดูอยู่ด้วยคิดว่าธรรมดากษัสัิย่อมมีเล่ห์กลมากนะักไม่อาจจะไว้ใจได้คั้นเห็นพระราชบุตรเสด็จมาแทนก็คิดว่าภัยคงไม่มีแก่เราแน่แล้วด้วยบุตรคงจะมาแทนตัวบิดาคิดดังนี้ก็ลงจากต้นไม้แล้วก็หันหลังให้พระราชกุมารก็เข้าไปยืนอยู่ตรงนั้นลำดับนั้นยักษ์จึงกล่าวว่าเออนี่เจ้าผู้มีร่างกายอันงดงาม เจ้าไม่รู้ด้วยว่าเราน่ะเป็นผู้ดุร้ายเที่ยวจับกินคนอยู่ในป่าแถบนี้พระราช ก, กุ ม, มารก็กล่าวตอบเรารู้ว่าท่านเป็นผู้หยาบช้ากินแต่มนุษย์เป็นอาหารแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ในป่านี้ตัวเราเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิตย์วันนี้ท่านจงกินเราแทนพระบิดาของเราเถอะเรารู้แล้วว่าเจ้าเป็นโอรสของพระเจ้าชัยทิตย์ เพราะเหตุว่าเจ้ามีหน้าตาผิวพรรณเหมือนกับพระเจ้าชัยอทิตย์อันการที่บุคคลยอมตายแทนบิดาเพื่อช่วยชีวิตบิดาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากบัดนี้เจ้าก็รับอาสาทำแล้วเออการที่จะตายแทนบิดาเพื่อช่วยชีวิตบิดามารดาไว้น่ะเราไม่เห็นเป็นการยากอะไรเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วเราก็จะได้ความสุขสู่สวรรค์ดูก่อนกุมารทําไมท่านถึงไม่กลัวตายเมื่อคนอื่นเขาว่า ก็เพราะเหตุว่าเราไม่เคยทําบาปไว้เลยทั้งในที่ลับและที่แจ้งและเราก็ได้กําหนดแน่นอนแล้วว่าเมื่อเกิดมาก็ต้องตายจะพ้นจากความตายไปไม่ได้ด้วยเหตุทั้งสองประการนี้แหละเราจึงไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจงกินเราเถอะเราได้สละร่างกายและชีวิตแล้วเราจะทําเป็นตกจากต้นไม้ให้ท่านเลือกกินตามสบายเดี๋ยวก่อนกุมารถ้าอย่างนั้นท่านจงรีบหาฟืนมาก่อน เราจะย่างเนื้อของท่านกินในบัดนี้ล่ะพระราชกุมารก็รีบไปหาปืนมาก่อไฟขึ้นตามคำสั่งกุมารยักษ์ก็มองดูแล้วก็นึกเสียใจว่าบุรุษผู้นี้แกล้วกล้าเหมือนกับราชสีไม่เกรงกลัวต่อความตายเลยคันคิดแล้วก็นั่งชำเลืองตาดูพระราชกุมารอยู่นื่งเนืงพระราชกุมารก็ถามว่าออทาไมท่านถึงได้มองดูเราอย่างนี้เราได้ทำตามคาสั่งของท่านแล้วนะ เมื่อท่านพอใจจะกินก็กินซะในวันนี้เถอะเดี๋ยวก่อนกุมารเึ่งตั้งอยู่ในธรรมมีสัจจะวาจารู้จักความประสงค์ของผู้อื่นได้อย่างนี้ถ้าผู้ใดกินหัวผู้นั้นจะต้องแตกออกเป็นเจ็ดเสี่ยงอ้าวเมื่อท่านไม่ต้องการจะกินเราทํำไมให้เราไปหาฟืนมาก่อไฟเราก็เพราะเหตุว่าเราจะลองใจเจ้าดูว่าจะวิ่งหนีไปหรือเปล่าท่านยัด ท่านจะดูหมิ่นเราในเรื่องนี้ไม่ได้นะรู้ไหมว่าเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังไม่ยอมให้พระอินทร์ดูหมิ่นเราได้เลยคือเราเคยเกิดเป็นกระต่ายพระอินทร์ได้แปลงเพศเป็นพราหมณ์ไปขอตัวเราเป็นอาหารเราก็ได้ให้พระอินทร์ก่อไฟขึ้นแล้วกระโดดเข้าไปในกองไฟแต่พระอินทร์บันดาลไม่ให้ไฟไหม้เราแล้วเอารูปเราไปจารึกที่ดวงจันทร์จึงปรากฏเป็นรูปกระต่ายบนดวงจันทร์มาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ในเวลานั้นเราไม่รู้เลยว่า เป็นพระอินทร์เราเข้าใจว่าเป็นพราหมณ์จริงๆเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วเราจะให้ท่านดูหมิ่นว่าจะขี้ขลาดต่อความตายได้ยังไงเอาละในเมื่อเรื่องเป็นอย่างนั้นนะพระจันทร์พระอาทิตย์ได้พ้นจากปากราหูไปแล้วก็ส่องโลกให้สว่างฉันใดท่านจงพ้นจากอำนาจของเราไปรุ่งเรืองอยู่ในประเทศสองท่านฉันนั้นเถอะครั้นกล่าวจบแล้วก็สั่งให้พระราชกุมารกลับไป แต่ก่อนที่พระราช ก, กุมารจะกลับก็ได้ให้กุมารยักษ์รับศินห้าแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นในใจว่าผู้นี้คงไม่ใช่ยักษ์เพราะธรรมดายักษ์ย่อมตาแดงแล้วก็ไม่กระพริบตาทั้งไม่มีเงาตัวแล้วก็ดูร้ายมากมายแล้วก็ทรงคิดขึ้นได้ว่าพระเจ้าพี่ของพระราช บ, บิดาเรามีอยู่สามพระองค์แต่สององค์แรกคงจะถูกนางยักษสินีกินซะแล้วส่วนองค์ที่สามนางยักษ์คงจะเลี้ยงไว และอาจจะเป็นองค์นี้ก็ได้ทรงดำรีย่างนี้แล้วก็ตรัสบอกว่าออท่านนี้คงไม่ใช่ยักษ์หรอกคงจะเป็นพระเจ้าพี่แห่งพระราช บ, บิดาของเราซึ่งนางยักษินีรักเอาไปเป็นแน่ขอเชิญไปบ้านเมืองกับข้าพเจ้าเถอะเราไม่ใช่มนุษย์ท่านมีอะไรที่พิสูจน์บ่ารตัวท่านไม่ใช่มนุษย์มีอยู่คือมีดาบทาทิพย์อยู่ตอนหนึ่งในสถานที่น้นท่านสามารถพิสูจน์ในเรื่องนี้ได้ พระราชกุมารก็เลยพาไปหาดาบทนั้นเมื่อไปถึงอาสมดาบทก็ร้องทักขึ้นว่าเออท่านผููเป็นลุงและหลานทั้งสองนี่มีความประสงค์อะไรถึงพากันมาหาเราแล้วดาบทก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เห็นว่าทั้งสองเกี่ยวพันเป็นญาติกันจริงๆยักษ์ก็เชื่อถือแล้วก็บอกพระราชกุมารบอกว่าหลานจงกลับไปเถอะลุงนี่เกิดมาชาติเดียวเป็นทั้งยักษ์และมนุษย์น่าสลดใจยิ่งนะัก ลุงไม่ต้องการราชสมบัติลุงจะออกบวชเป็นฤาษีว่าแล้วก็ขอบวชอยู่ในสำนักของดาบดนั้นไวอลินศัตตูราชกุมารก็อำลาเสด็จกลับไปหาพระราชมารดาพระราชบิดาโดยความสวัสดีในเวลานั้นประชาชนทั้งหลายได้พร้อมกันไปรอรับกล่าถวายบังคมเป่งวาจาสรรเสริญพระบารมีดังระงมไปทั่ว พระราชบิดาจึงทรงซักถามว่าเจ้ารอดมาจากยักษ์ได้อย่างไรพระราชกุมารก็ชี้แจงให้ทรงทราบโดยลําดับและพระเจ้าชัยอทิตย์พร้อมด้วยขาราช บ, บริพานก็นําจตุรงคโยธาหารสเสด็จยกไปหาดาบทนั้นนิมนต์ให้สึบออกมาครองราชสมบัติแต่เมื่อดาบทไม่ยอมรับตามคํานิมนต์พระเจ้าชัยอาทิตย์จึงให้ขุดคลองติดติดกันไปจนกระทั่งถึงบุเ ข, ขาลูกหนึ่งแล้วให้ประชาชนยกครัวเรือนไปอยู่อาศัย คอยถวายปัจจัยสี่แกดาบทต่อมาตำบล น, นั้นจึงมีชื่อว่าจุลกัมมาสะนิคมนิทานเรื่องนี้มุ่งจะแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาว่าอาจจะทำให้บุคคลได้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวงพลิกผันเหตุการณ์จากที่ร้ายให้กลายเป็นดีตราบใดที่ชีวิตยังไม่ถึงเวลาจบสิน้นธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเสมอ และถึงแม้ว่าจะถึงวาระแล้วบางครั้งก็อาจต่อรองกันได้เพราะว่าความกตัญญูความเมตตาความเป็นผู้มีศีลความอดทนอดกลั้นเหล่านี้เป็นของดีอยู่ในตัวมันเองผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติแล้วย่อมหลอมตัวเองให้กลายเป็นคนดีไปด้วยอีกประการหนึ่งความอาฆาตจองเวร น, นั้นย่อมก่อภบก่อชาติกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผลของมันนอกจากจะนาความเดือดร้อนมาสู่ตนแล้วยังส่งไปสู่บุคคลอื่นอีกด้วย เหมือนเช่นกูมานยักษ์ผู้พลอยรับดอกผลเวรกรรมของนางยักษินีจนมีสภาพครึ่งคนครึ่งยักษ์ได้รับทุกขเวทนาเพราะหลงพบหลงภูมิของตนเพราะฉะนั้นก็ขอให้เวรจงระงับด้วยการไม่จองเวรเสถครับ